ー ธรรมะหมวดหนึ่งที่อ า, ามายเรียกว่าธรรมะสำหรับผู้รักตนบางคนอาจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รักตนด้วยหรือเพราะว่าคำสอนผู้เจ้าก็ลนแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจของพุทธศาสนานะท่านก็จะสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นในตัวตน เพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนตั้งแต่แรกและสอนให้รักต น, นี่มันจะไม่ขัดแย้งหรือกับคำสอนพระองค์ไม่ขัดแย้งหรอกเพราะว่าผู้เจ้าเองในหลายครั้งนะตอนก็พูดถึงเรื่องของการรักตนอย่างเช่นมีพระสิทธิ์บทหนึ่งนะซึ่งเราก็อาจจะสวดอยู่บ่อย ไม่ทำวัดช้าก็บทำวัดเย็นคือว่าบุคคลผู้รักตนเมื่อหวังเฉพาะคุณเบื้องสูงจมทําความเคารพธรรมบุคคลผู้รักตนเนี่ยถ้ารักตนจริงเนี่ยนะก็ต้องหวังนะหรือว่าให้ความสําคัญกับธรรมะขั้นสูงหรือธรรมเบื้องสูงแล้วก็ถ้าหากว่ารักตนจริงๆก็ต้องเคารพพระธรรมแต่ว่า มันมีคําสอนที่ง่ายกว่านั้นนะซึ่งเหมาะที่จะเรียกว่าเป็นคําสอนสําหรับผู้รักตนนะธรรมะหมนี้ผู้เจ้าก็จําแนกเป็นสี่ข้อนะและพระองค์ก็ไม่ได้เรียกว่าธรรมะสาหรับผู้รักตนแต่ว่าเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่รักตนนะอย่างถูกต้องหรือปรารถนาจะรักตนอย่างถูกต้อง แข้อแรกนะก็คือว่าไม่เอาทุกมาทับถมตนก็หมายความว่าอย่าหาทุกมาใส่ตัวหรือว่าพูดให้มันชัดกว่านะั้นคือว่าอย่าเพิ่มทุกให้แก ต, ตัวเองหรือว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองไม่หาทุกมาใส่ตัวก็เช่นว่าไม่ผิดศีล น, นะเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็คือการหาความเดือดร้อนมาใส่ตัว ไม่เข้าสู่หรือหลงตนนะหลงในอบายมุกนะใครที่หลงเข้าไปในอบายมุกเนี่ยหมกบุ่นในอบายมุกเนี่ยมันก็เท่ากับว่ากำลังหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวไม่ว่าผิดศีลหรือว่าอบายมุกเนี่ยนะใครที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็เดือดร้อนทั้งนั้นแหละเพราะว่าผิดศีลแล้วเนี่ยแม้มันจะได้ผลประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราว เช่นไปขโมยของเขาเออสำเร็จได้เงินมาคอร์รัปชันได้ทรัพย์สมบัติมาแต่ว่ามันก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเดือนนี้นี่ไปคอร์รัปชันมาก็มีปัญหาแล้วว่าจองเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนนะเอาเงินไปสายไว้ในธนาคารก็ไม่ได้นะกฎหมายฟ้องเลยเขาก็ตามตรวจได้ เดีย๋ยนีก็ต้องเอาเป็นเงินสดเอาเงินสดก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านนะก็ต้องคอยระแวดระวังไม่ให้คนเข้ามาบางทีโจรเข้ามาก็เจอนะเจอเงินหลายสิบล้านอย่างที่เคยเป็นข่าวเมื่อสามสิบปีก่อนนะไปเข้าโจรไ่เข้าไปบ้านของปลัดกระทรวงคนหนึ่งโอ้เจอแบงก์นี่นะหลายกิโลเลยนะแล้วก็อุตส่าห์ขนแบงก์นั่นออกมาแต่ว่าถูกจับได้นะเรื่องก็เลยแตกว่าเอาเงินสดมาจากไหนนะ อันนี้ก็เป็นทุกข์ของคนที่คอรับชั้นนะคือว่าพอถึงแม้จะคอรับชั้นสําเร็จก็มีปัญหาว่าจะเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนจะอําพรางอย่างไรมันไม่ใช่แค่ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจนะถ้าเกิดความแตกคนจับได้ก็ติดคุกอีกนะกเรียกว่าสร้างทุกข์ให้ตัวเอ ง, เ อ, งนะอยู่ดีมีอยู่ดีก็มีความสุขสบายอยู่แล้วเนี่ยก็ดันหาเรื่องใส่ตัวจนติดคุกติดตารา ง, ท, งทั้งทั้งที่เป็นประหลากระโซ น, นี้ก็ มีสถานะมีชื่อเสียงนะมีเงินทองพอที่จะอยู่ได้สบายไนปะจนตายเนะี่ยอันนี้ก็เรียกวา่าถ้าคนเราเนี่ยผิดศีลเนี่ยมันก็ไปซ้ำเติมตัวเองนะหาทุกข์ใส่ตัวอบายามุกก็เหมือนกันนะถ้าใครไปข้องเกี่ยวแล้วมันก็เจอแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถึงแม้คนที่ไม่ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุกเลยนะเล่าบุหรี่ไม่แต่การพนันก็ไม่ข้องเกี่ยวศีลก็รักษาครบนะแต่ก็ไม่ไวา้นะที่จะหาทุกมาใส่ตัวหรือว่าซ้ำเติมตัวเองอย่างเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะแค่ป่วยกายเนี่ยมันก็หนักพอแรงอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ไม่ไม่หยุดแค่นั่นหละนะซ้ำเติมตัวเองก็คือ เกิดความทุกข์ใจตามมาด้วยปล่อยใจให้มันเป็นทุกวิตกกังวลปล่วยทั้งกายป่วยทั้งใจไอป้ป่วยกายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะเชื้อโรคอาจจะเป็นเพราะสารแปลกปลอมนะแต่ป่วยใจเนี่ย ม, มันมีใครทําำนะจะเรียกว่าเราทําตัวเราเองก็ได้หรือพื่ให้ถือคือใจที่มันวางไว้ไม่ถูกนะนั่นก็ไป ไปสร้างทุกข์ให้กับตัวเองบนตีโวยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี ก, กันทั้งนั้นโดยไม่เฉลีใจว่านะกาลังหาทุกข์มาใส่ตัวเวลาเงินหายนะถูกโกงเงินไปส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่หายแต่เงินเสียแต่งเงินนะแต่ว่าก็ปล่อยให้ความสุขมันสูญหายไปด้วยเสียสุขภาพจิตเพราะเอาแต่คิดถึงเงินที่หาย แล้วบางคนก็ทำร้ายตัวเองไม่ยอมกินไม่ยอมนอนมีครูคนหนึ่งถูกโกงไปแสนหนึ่งเสียใจมากแล้วครับแค้นใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยแม่ก็ขอร้องนะว่ากินเถอะนอนเถอะพักผอ่อนเถอะแกก็ไม่ยอมนะทำนี้เป็นเดือนแสดงว่าแกไม่ได้รักตัวเองหรอกอย่างนี้เรียกว่ารักเงินมากกว่า คนส่วนใหญ่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่าเอาข้างจริงนะนะเป็นรักอย่างอื่นมากกว่าไอ้รักเงินนี่ยังพอว่านะมันพอมีเหตุผลนะเพราะเงินก็ให้ความสุขแต่ไอ้รักความกโกรธเนี่ยนะทุทนุถนอมความโกรธรักษาความโกรธเอาไว้เนี่ยอันนี้มันไม่มีเหตุผลเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นนะเวลากโกรธใครเนี่ยทุทนุถนอมความโกรธเหลือกเกินนะไม่ยอมที่จะหาทางขาจัดปัดเป่าวความโกรธออกไป อาแต่คิดซ้ําคิดซากนะถึงคนที่ทําให้เราโกรธแล้วก็ยิ่งโกรธมากขึ้นรู้ว่าการให้อภัยเนี่ยมันช่วยได้แต่ก็ไม่ยอมจะขอโกรธยู่นั่นแหละความเศร้าก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารักน่าหวงแหนแต่หลายคนก็หวงแหนทนทุกข์นอัความเศร้ามากไม่ยอมให้มันจางหายไปเพื่อนจะชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่กับความเศร้านี่แหละอันนี้ดูดีๆนะคนเราเนี่ยมันไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่หรอกนะ ไปรักอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็เลยเท่ากับเป็นการซ้ำเติมตัวเองเวลารถติดนะเสียเวลาอยู่แล้วนะก็ไม่ยอมให้เสียเวลาแค่นั้นนะก็ปล่อยใจให้อ่เป็นทุกข์ไปด้วยนะด้วยความหงุดหงิดความกระวนกระวายซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ใจเป็นทุกข์สุขภาพกายก็ย่าแย่อันนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองนะซ้าเติมตัวเองเนะี่ย คนที่ถึงแมจะรักษาศีลดีถึงแมจะไม่เกี่ยวข้องอบายมุกเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยลึกๆเนี่ยหรือว่ามันสอว่าไม่ได้รักตัวเองอย่างแท้จริงทําร้ายตัวเองตลอดเวลาเวลาเวลารู้ตัวว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองเนี่ยนะให้ลองนึกถึงคาถานะคาถาหนึ่งของจระพุทธทาสนะ เป็นคาถาที่เอามาใช้กับตัวเราอยู่บ้างก็ดีนะก็คือพูดกับตัวเองว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยนะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยแต่คนเราบางทีมันก็โง่นะคาถานี่ใส่ตัวนะัมันก็มีเสียงเถียงมาในใจก็กูจะทุกข์กับมีอะไรหรเปล่าใช่ไหมอันนี้ยมันเป็นความโง่ของคนนะมันยังเถียงอีกนะกูจะทุกข์ก็มีอะไรหรเปล่าบางทีมันมีนะคนเราเนี่ยมันวันรักความทุกข์มากนะ เวลาไอ้จิตใจใฝ่ดีเนี่ยมันพยายามพูดถาอุบายให้ใจเนี่ยมันหลุดจากทุกข์นะไอ้ความโง่เนี่ยมันก็เถียงนะว่ากูจะทุกข์อ่ะมีอะไรไหมอันนี้ก็ต้องให้เรานึกถึงพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยนะไม่ได้เลี้ยงเรามาไม่ได้ทนุถนอมอมาเพื่อให้เราทุกข์แบบนี้แต่ถ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นใดแล้วมารู้ว่าเราทุกข์แบบนี้ท่านจะมีความสุขไหมหรือว่ายิ่งถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ถ้าไม่รักตัวเองไงก็รักพ่อแม่ทั้หน่อยนั่งถึงท่านว่าเนี่ยท่านอุษาทนุทนมอมกล่อมกลาวเรามาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกแบบนี้นถ้ารักท่านนี่ก็ต้องพยายามที่จะสลัดความทุกข์ไปจากจิตใจถ้าป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายนะไม่ป่วยใจถ้าจะหายก็หายอย่างเดียวคือหายเงิ น, นเงินหายแต่ว่าอย่างอื่นปกติถ้าจะรถติดนะเสียเวลาก็เสียแต่เวลาแต่อย่างอื่นไม่เสียนยิ้มนอยู่กับปัจจุบัน จะลองคิดแบบนี้ดูแล้วบ่อยครั้งนะไอคิดถ้าเราทุกเพราะเรื่องของเราเนี่ยมันก็ยังพอว่านะทุกข์เพราะว่าเราเจ็บป่วยทุกข์เพราะว่าเงินหายทุกข์เพราะ่าถูกโกงทุกข์เพราะว่าตกงานเนี่ยแต่บ่อยครั้งเนี่ยนะไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันล้ลนแต่ไปหยิบไปช่วยเ อ, เอาเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์นะไม่ได้พูดถึงความทุกข์ของคนที่เข้ามาปรึกษาหาหรือเราความทุกข์ของพ่อแม่ อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะบ่อยครั้งเป็นความทุกข์ของคนที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอย่างเช่น เ, เวลาเราทำงานนะเราเห็นบางคนขี้เกียจนะอู้งานแล้วก็เอาแต่งุดหิดเขาคือเขาจะอู้งานเป็นเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราบ่อยครั้งเนี่ยเราไปสนใจปัญหาคนอื่น การกระทําที่ไม่ถูกต้องคนอื่จกกนจนกระทั่งเราลืมหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งก็คือว่ารักษาใจของเราให้เป็นสุขหลายคนเนี่ยโกรธแค้นเพราะว่าถูกเอาเปรียบเบียดเบี้ยหรือถูกรังแกและไคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่มารู้สึกสำนึกผิดไม่มาขอโทษเราเราลืมไปว่าหน้าที่ของเราคือรักษาใจให้ปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความโกรธเผาลนจิตใจ หน้าที่อย่างไรที่เราควรทำก็คือว่าคลายความโกรธเช่นให้อภัยเขาแต่หลายคนก็ไม่ยอมให้อภัยเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่สํานึกผิดเขาไม่มาขอโทษเราฉัน จ, จะให้อภัยเขาก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันาการที่เขาจะขอโทษเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ขอโทษเราเท่าที่เขาทําผิดมันก็เป็นกรรมของเขาเอง มันเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องของเขาเองซึ่งเขาต้องรับกรรมแต่คนส่วนใหญ่ก็เอาการกระทาของคนเหล่านั้นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาทิมแทงตัวเองทำให้โกรธหนักขึ้นนะคนเราเนี่ยพอมีความทุกข์อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือรักษาตัวเราให้มีความสุดรื้อหายจากทุกข์สมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะข้ามถนนและโดนรถเฉียวชน รคันนั้นแทนที่จะลงมาช่วยเหลือก็กลับหนีไปส่วนผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บกระดูกหักไม่กี่นาทีต่อมาก็มีรถพยาบาลเนี่ยมารับเขาเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ผู้ชายคนนั้นบอกฉันไม่ไปฉันจะไปก็ต่อเมื่อไอ้ตีนผีคนนั้นมาขอโทษฉันก่อนอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรืองโง่อย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะคนฉลาดเนี่ยนะคนรักตัวเองนะ เขาต้องรีบขึ้นรถพยาบาลไปรักษาตัวก่อนส่วนไอ้ตีนผีจะมาขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องทีหลังเวลาทุกข์กายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็พร้อมจะเยียวยาตัวเองหรือให้คนอื่นเยียวยาแต่เวลาทุกข์ใจเราไม่ทำอย่างนั้นนะเวลาทุกข์ใจเช่นเราเจ็บปวดเพราะมีคนลังแกเราโกรธ ไอ้ความโกรธนี่แปลว่าคือว่าเรามีแผลอยู่ที่ใจเมื่อเรามีแผลที่ใจเราก็ต้องรักษาแผลในใจก่อนก็คือว่าอ่ะให้อภัยเขาหรือว่าแผลแม้ตายเข้าไปแล้วก็แล้วแต่นี่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ที่เราต้องมีต่ตัวเองหน้าที่ของคนที่รักตัวเองส่วนเขาจะมาขออภัยหรือไม่มันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ไม่มาขออภัยก็เขาก็รับกรรมเองในธนเดียกันเนี่ยเวลาเราทําความดี ช่วยเหลือใครแล้วเขาไม่สำนึกบุญคุณอย่าไปโกรธเขาถ้าเราไปโกรธ <m akes honesty> เขาเนี่ยเรากำลังสร้างทุ่งให้แตัวเองเรากำลังซ้าเติมตัวเองเรากำลังเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำไม่ถูกก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าเอาการกระทำที่ไม่ถูกเขาเนี่ยมาเป็นภาระสร้างทุ่ให้แก่ตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ทาอย่างนั้นเอาแต่เจ็บแค้นว่ามันไม่มี ความสำนึกในบุญคุณของเรามันไม่ช่วยเหลือเรามันไม่ไม่แม้แต่จะเห็นความดีของเรารู้หรือเปล่าว่า น, นั่นเนี่ยคือกําลังคือการซ้ําเติมตัวเองนั่นไม่ใช่วิสัยของคนที่รักตนอันนี้รวมถึงลูกที่ดูแลพ่อแม่นะมีปัญหาแบบนี้หลายคนนะลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่พ่อแม่บางทีก็เป็นอัลไซเมอร์บางทีก็กําลังจะตายอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องไม่สนใจเลยพี่น้องไม่ไม่สนใจที่จะมาดูแล พ่อแม่เลยลูกที่ดูแลพ่อแม่ก็จะโกรธมากเลยโกรธว่าทำไมพี่พี่น้องๆเนี่ยไม่มาใส่ใจไม่มาดูแลพ่อแม่การทำยางี้เนี่ยก็คือการซ้ำเติมตัวเองเพราะเราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะให้เราดูแลพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วนะเรายังมาทุกข์ใจโมโหพี่น้องโมโหพ่อแม่เพราะเขาทำไม่ถูกเขาทำไม่ถูก แต่การที่เขาทำไม่ถูกเนี่ยเป็นเรื่องของเขาซักันเขาก็ต้องรับกรรมเองในเมื่อมันเป็นเรื่องของเขาทำไมเราต้องเอามาเป็นปัญหาของเราด้วยหลายคนเนี่ยเอาปัญหาเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองเอาการกระทำที่ไม่ถูกต้อ ง, องคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองเสร็จแล้วก็ลืมทำหน้าที่ของตัวเองบางคนเอาแต่บนพี่น้องนะจนกรทั่งไม่ดูแลพ่อแม่อย่างดีใจก็หงุดหงิด เสร็จแล้วก็ระบายความมอใส่พ่อแม่ซึ่งกําลังป่วยทั้งที่พ่อแม่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแต่ว่าไอคนดูแลไปโกรธพี่น้องก็เลยระบายใส่พ่อแม่ปีใส่พ่อแม่นะพ่อแม่งงงเลยบางทีก็เรียกว่าลืมทําหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนคือการดูแลพ่อแม่อย่างดีและหน้าที่ประการคือการรักษาใจตนให้ปกติให้มีความสุขนี่คือวิสัยค น, คนที่รักตนเอาเพราะนั้นเนี่ยนะจะเห็นได้ว่า บ่อยครั้งเนี่ยนะเราเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้รักตัวเองแท้จริงเพราะเราเอาแต่ซ้าเติมตัวเองนั้นถ้าเรารักตัวเองแท้จริงเนี่ยนะข้อแรกคือว่าอย่าหาทุกข์มาทับถมตนหรือว่าอย่าซ้าเติมตัวเองเราทำงานเหนื่อยแล้วนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลุ้มใจอย่าไปโมโหกับคนอื่นหรือเพือ่อโรงงานที่เขาไม่ทำงานของเขาการที่เขา ไม่ทํางานของเขาเป็นปัญหาของเขานะมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่แน่นอนอาจจะมีผล ก, กระทบต่อ ง, งานการต่อส่วนรวมในกรณีเช่นนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องหาเวลาที่จะพูดคุยกับเขาพยายามจัดระบบให้มันดีนะเพื่อที่จะทําให้ผู้คนมีความร่วมแรงร่วมใจกันแต่อย่างน้อยเราต้องรักษาใจงเราก่อนไม่ให้ทุกข์ให้เราตระหนักว่าเนี่ยการหน้าที่ของคนที่รักตนอย่างเบื้องต้นเลยคือว่าไม่หาทุกข์มาใส่ตัว แล้วก็ไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ความทุกข์ด้วยมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกแกเป็นโปลิโอตั้งแต่เล็กสมัยก่อนเมื่อสักห้สิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนเป็นโปลิโอมากเพราะว่าไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ไม่มียารักษาแล้วโปลิโอที่แกเป็นนี่ก็อาการก็ลุกลามมากจนกระทั่งพิการนะพิการถ้าจะเป็น อ, มอัมพาตไปเลย เรียกว่าต้องนอนเป็นส่วนใหญ่หรือไม่พี่ชันก็ต้องนั่งรถการพูดการคุยก็ลำบากแต่ว่าแกสามารถที่จะภาคเพียนจนเรียนจบหมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีเพื่อนก็แปลกใจก็เคยถามเขาว่าเนี่ยทำไมคุณถึงอารมณ์ดีทำไมคุณไม่มีความทุกข์เลยนะ้ชั้นที่ชื่อบรูซนะเป็นอเมริกันดาสิโอเนี่ย แกบอกว่าก็เคยทุกข์นะแต่ว่าวันหนึ่งก็ถามตัวว่าเนี้วันนี้ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความโกรธแค้นไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแล้วก็ก็ตอบว่าเนี่ยได้คําตอบว่าฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์กลดดาชตากรรมหรือโกรธแค้ น, นพอคิดได้เช่นนี้นี่เขาตัดสินใจว่าฉันจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แล้วแล้วก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมาเป็นการชื่นชมขอบคุณแล้วเขาศึกเขาขอบคุณพระเจ้านี่ก็เป็นคริสต์นะอเมริกันนะขอบคุณพ่อแม่นะขอบคุณหมอเทไลัยขอบคุณวิศัยหายขอบคุณมันสมองที่เขาได้มาแล้วขอบคุณชีวิตที่เต็มไปได้วยโอกาสคือเปลี่ยนมุมมองเลยแต่การเปลี่ยนมุมมองกิขึ้นได้พราะเขาเริ่มตั้งคำถามว่าฉันจะใช้ชีวิตที่จมอยู่ความทุกข์ไปตลอดองั้นเหรอก็คล้ายๆกับคำถาม อาคถางของอาจารย์พุทธานะ ว, ว่าเนี่ยกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ว้ยหรือถ้าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ลองถามดูเอ้เราจะเป็นทุกข์อย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าในเมื่อเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วะควรจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะ ห, หาของดีๆหรือเก็บเกี่ยวความสุขมาใส่จิตใจงตัวเองมากกว่าอันนี้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าเราก็อย่าปล่อยให้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันกระทำยำ่ํายีกับเราถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความทุกข์นั้นเนี่ย จริงอยู่เหตุการณ์บางอย่างมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองได้อาจารย์ประมวลเพ่งจันเนี่ยนะพวกเราหลายคนเขารู้จักนียเป็นอาจารย์หมหาเทาลัยเชียงใหม่แล้วก็ตั้หลังก็กเกษียณก่อนอ่าก่อนเออร์เนี่ยแล้วก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยจากเชียงใหม่ไปสมุยหนังสือของท่านเนี่ยขายดีมากพิมพ์ไป20ครั้งแล้วมั้งชื่อว่าเดินสุ่ิสรภาพ อาจารย์ปุ๋มเคยเล่าว่าเคยไปอินเดียตอนนั้นไปเนี่ยในเพศสมณนะบวชภาแล้วก็ไปอินเดียเพื่อไปเรียนต่อเรียนต่อตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกอาจารย์ปมบอกว่าตอนไปอินเดียนี่นะมีความทุกข์มากทุกสารพัดเลยอย่างที่เราทราบอินเดียนี่มันมันไม่เป็นเมืองที่ไม่ค่อยน่าอยู่อะ แล้วก็ผู้คนก็นิสัยไม่ดีก็เยอะบอกว่าเนี่ยตอนอยู่อินเดียเนี่ยนะประมาณแปดเก้าปีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอยากจะร้องไหนะ้แล้วก็ร้องไห้บ่อยด้วยเยนจบปริญญาเอก ก, ก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ศึกแล้วก็มาเป็นอาจารย์ก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีกับอินเดียมาเป็นเวลาหลายปีจกนกระทั่งเมื่อได้มีโอกาสทบทวนประสบการณ์นในอินเดียเนี่ย ก็พบว่ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงแก่หลายอย่างนอกจากได้ปริญญาเองแล้ว ก, ก็ยังได้อะไรอีกมากมายเกิดความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของอินเดียแล้ววันหนึ่งก็กลับไปอินเดียเพื่อไปเพื่อไปขอบคุณอินเดียขอบคุณทุกอย่างของอินเดียไอาการในอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าจากจากเดิมที่เคยรู้สึกเจ็บปวดนะกับประสบการณ์ที่นั่นเนี่ย พอเป็นมุมมองนะมันมีแต่ความซาบซึง้งเปลี่ยนมุมมองเพราะว่ามาทบทวนอยู่แล้วเนี่ยเห็นว่ามันได้มีส่วนเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเนี่ยหลายอย่างไอความยากลาบากนั่นแหละนะที่มันทำให้ชีวิตเนี่ยจิตใจเนี่ยพัฒนาขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งไม่เคยนึกว่าจะได้รับจากอินเดียอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนนะ การเปลี่ยนการเปล okay. e. ี่ยนความทุกข์เปลี่ยนโดยการไม่ใช่เปลี่ยนเหตุการณ์เพราะเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราเห็นคุณค่าของมันคุณค่าหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราเพ่งพินิจเนี่ยเพราะว่าโอมมันมีประโยชน์มากอันนั้นคือเหตุการณ์ในอดีตแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนะเช่นความเจ็บป่วยเช่นความสูญเสียแต่ว่ามันก็ไม่ ไม่สายนะหรือว่ายัางมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนมันได้ครูบาอาจารย์นเนี่ยหลวงพ่อมเขียนต้นกสอนนะว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่เข้าไปไม่ปล่อยใจให้เข้าไปเป็นทุกข์นะลองลองลองกลับมามองลองออกมามองออกออกมามองเนี่ยได้เนี่ยด้วยสติสติมันทําให้เห็นวันตริการเห็นทุกข์เนี่ย มันสามารถทำให้เราเนี่ยพบธรรมะได้ทุกเนี่ยมันยังเจออยู่กับตัวเลยนะแต่ว่าพอเราใช้สติเข้าไปมองมันพิจารณามันเนี่ยมันกลายเป็นธรรมะไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าเราแต่ตีโวยตีพายนี่นะมันก็มีแต่ซ้ําเติมตัวเองแต่พอเราเริ่มพิจารณาว่าเอ้ยก็จะเห็นว่าความเจ็บป่วยมาสอนนะสอนให้เรา ตอนหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตสอนให้เราให้เราเห็นนะว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตมันสามารถที่จะเตือนให้เราเนี่ยตอนหนักถึงเวลาที่กำลังจะเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้นขวนขวายนะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยในสนาพุธกามีตัวอย่างมากมายของคนซึ่งเจอทุก สูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักอย่างนางกิสากรตมีสูญเสียลูกนางปตัตจราสูญเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งพ่อแม่ในเวลาไล่ไกันโอ้ใจปวดมากเลยแต่ว่าพอได้สติขึ้นมาเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งซึ่งส่วนสําคัญเกิดจากการที่พุทธเจ้าเนี่ยได้พูดเตือนสติก็เห็นเลยนะโอเห็นถึงเห็นถึความจริงของชีวิตว่าเนี่ยมันเต็มไปได้วยทุกข์มันไม่น่ายึดถือ เห็นโทษของความยึดติดถือมันอ่นไอ้ที่ทุกข์ที่เศร้าโศกเสียใจจนเป็นเกือบจะเป็นบ้า น, นี่เพราะความยึดติดถือมัน่นพอเห็นโทษความยึดติดถือมั่นนี่ถอนออกมาเลยนะก็กลายเป็นภรริยาเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นได้เพราะอะไรเพราะว่าเจอทุกข์แต่แทนที่จะเป็นทุกข์ก็เห็นเห็นทุกข์แล้วก็สามารถที่จะถ้าพูดภาษาของเราคือว่าถอด บ, บทเรียน จนเห็นสัจธรรมนะอันนี้คือการเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะการเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง transformative learning เนี่ยนะมันมันควรจะหมายถึงการที่สามารถที่จะมองและเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมะได้แล้วนี่มันจําเป็นด้วยสําหรับคนที่รักตัวเองพูดมาทั้งหมดนี้แค่ข้อแรกนะที่จริงมันมีข้อที่สองด้วยคือว่าเมื่อเราไม่ซ้ําเติมความทุกข์แล้วเนี่ย ไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการหาทุกมาใส่ตัวแล้วเนี่ยก้อที่สองคือว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทำอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนะเพราะว่าดูเหมือนง่ายแต่ที่จริงคนส่วนใหญ่เนี่ยปฏิเสธความสุขที่ชอบทำความสุข ท, ที่ชอบทำยอย่างง่ายๆนะก็คือว่าอย่างเช่นความสุขจากวัตถุนะหาเงินมาได้เนี่ยก็ควรจะใช้เงินเพื่อ เพื่อให้ตัวมีความสุขใช้เงินเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวอันนี้พระเจ้าเคยพูดถึงเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งร่ํารวยมากนะแต่ว่าตนอิทีเหนียวไม่ใช้เงินเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อความสุขของตัวเลยเช่นกินข้าวปลายหักเสื้อผ้าก็ปูป่ะอยู่กระท่อมนะที่มันสัประังเคมากเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สรรเสริญนะพระเจ้าตําหนิว่าไม่รู้จัก ใช้เงินที่หามาเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขมีเงินแล้วก็ต้องใช้ให้มีความสุขและช่วยเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขด้วยนะพุทธศาสานาไม่ได้ปฏิเสธเงินนะเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดไว้เมื่อตอนบ่ายว่าเงินเนี่ยเราต้องใช้มันอย่าให้มันเป็นนายเราเงินเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะเมื่อเรา หาเงินมาได้ด้วยความซื่อสัตสุจริตนะก็ต้องใช้เงินเพื่อเลี้ยงความเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงผู้นให้มีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรวมทั้งทําความดีอันนี้เป็นเรื่องการความหมายเบื้องต้นการไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทําแต่จริงๆถ้ามอยลึกๆเนี่ยนะมันมีความหมายมากกว่า น, นั้นนะเช่นว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งที่ตัวเองมีความสุขนะแต่มองข้าม การที่ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยการที่ตัวเองมีสุขภาพดีมีกำลังวังชาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักว่านี่คือโชคนี่คือความสุขนะหลายคนเนี่ยทั้งที่มีสุขภาพดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานการนะแล้วก็กินอิ่มนอนอุ่นแต่ไม่มีความสุขพอาเขานึกถึงแต่เขามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีถ้าเด็กก็ นึกถึงแต่แท็บเล็ตนะไอโฟนว่าฉันยังไม่มีเด็กมีทุกอย่างนะแต่เด็กไม่มีความสุขเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีนะผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะว่ายังไม่ได้ C9-C10 นะไม่ได้เป็นเด็ทดีเป็นประหลัด ก, กระทรวงทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรต่ออะไรมากมายนะซึ่งควรที่จะชื่นชมนะควรที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมี กลับมองข้ามพอไปมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีแนละ้วมันทุกข์เลยนะอันนี้เรียกว่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทำหรือว่าเมินข้ามการที่มีพ่อแม่อยู่กับเราคนรักยังอยู่กับเราเนี่ย น, นี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไปรอไปหวังความสุขจากโน่นจากนี่นะจากฐานะตำแหน่งนะ จนกระทั่งเขาเสียไปเขาจากไปเนี่ยถึงค่อยมาตอนหนักว่าโอ้ไอตอนที่เขาอยู่กับเรานี่มันคือช่วงเวลาที่เป็นโชคันประเสริฐละหลายคนเนี่ยมาเห็นก็ต่อเมื่อสูญเสียไปแล้วยอยัง ม, มีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกสนิท ก, กับพ่อมากเลยเพ่อพ่อเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแม่นี่ก็เสียไปตั้งแต่แกยังเล็กแล้วพ่อก็เลี้ยงแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนนั่นนะกินข้าวด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกันนะจนกระทั่งเขาเนี่ยเรียนจบหมหาลัยแล้วก็มีงานไอ้งานที่เขาทำเนี่ยก็เป็นงานที่ดีแล้วมันเป็นงานที่เขาต้องทุ่มเทกลับบ้านก็ดึกเวลาเา้าเวลาเริก ง, งานแล้วเขากาลังประชุมหรือกาลังสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยพ่อก็มักจะโทรศัพท์มามาถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านรอกินข้าวเย็ยนด้วยกัน พอกินอย่างนี้พอทำนี้มาต้องตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนขั้งเข้ามาาหาทลายแกก็จะบอกว่าไม่ยังไม่ว่างตอนหลังเนี่ยนะพ่อพ่อพ่อโทรมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแกเริ่มลำคาเริ่หมหงุดหงิดตอนหลังเนี่ยแค่ได้ยินเสียงหรือหรือเห็นเบอร์โทรศัพท์ของพ่อเนี่ยแกแกแทบจะปีติเลยเพราะเหมือนกับว่าพูดไม่รู้เรื่องหลือไงว่าไม่ว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ ย, ายบางทีพ่อก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปเที่ยวกัน แกก็ไม่ว่างก็เป็นอย่างนี้อยู่เป็นปีสองสามปีนะจนั่งวันหนึ่งพ่อป่วยพ่อป่วยแล้วในสุดพ่อก็จากไปเวลานี่มันเกิดขึ้นเร็วมากและพอพ่อจากไปเนี่ยมันไม่มีเสียงโทรศัพท์จากพ่ออีกแล้วแกโหยหาเนะอยากจะฟังเสียงโทรศัพท์จากพ่อแต่ตอนที่พ่ออยู่เนี่ยนะเสียงโทรศัพท์จากพ่อนี่แกลำคาญมากเลย แกไม่เค ย, ยเฉียวใจเลยนะว่าไอเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะมันมันแปลว่าพ่อยังอยู่กับเราแล้วเราควรจะดีใจที่ท่านอยู่แต่แกมองไม่เห็นไงแล้ววันหนึ่งเสียงโทรศัพท์นั้นก็หายไปแกนึกถึงเสียงโทรศัพท์นั้นมากเลยแต่มันไม่มีแล้วแล้วแกก็นึกถึงต่อไปว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเคยชวนแกไปเที่ยวแต่แกไม่มีเวลามานึกได้เนี่ยก็สายไปแล้ว และสิ่งที่แกทําเป็นการชดเชยคือว่าเวลาแกไปไหนเนี่ยแกจะเอารองเท้าของพ่อเนี่ยใส่ไว้ในเบาะหลังรถแล้วก็บอกว่าพ่อเราไปด้วยกันนะนี่คือวิธีที่แกจะชดเชยความความผิดความรู้สึกผิดนะแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับตอนที่พ่ออยู่เนี่ยคือแกเริ่มเพิ่มมาเฉลยใจว่าโอโ้ตอนที่พ่ออยู่กับเราเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่แกมองไม่เห็น มาเห็นตอนที่พ่อจากไปแล้วอันนี้เ ป, นเป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยเรามองข้ามความสุขที่มีอยู่ยมามานึกได้ตอนที่สูญเสียไปแล้วนะเพราะฉะนั้ น, นคําว่าข้อที่สอนเนี่ยไม่ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทําหรือว่าไม่มองข้ามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ฉันทําอยู่แล้วเป็นเรื่องที่คล้ายๆก็ทํากันเป็นคอมมอนเซนต์จริงๆมันไม่ใช่คอมมอนเซนต์หรอกนะ มันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปเวลามีน้อยฉะนันเพราะงั้นข้อที่สามเนี่ยพุณเจ้าบอกว่าจริงอยู่นะเ ร, เราไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแต่เราก็อย่าสยบโมมเอาในความสุขนั้นมีเงินใช้เงินเลี้ยงใช้เงิ น, เ, งนเลี้ยงตัวมีความสุขแต่ว่าอย่าไปยึดติดในความสุขนั้นเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่าสยบโมมเมาในความสุขนั้นการที่พ่อแม่อยู่กับเร า, รเราลูกอยู่กับเราคนรักอยู่กับเราโอ้ ชื่นชมความสุขนั้นชื่นชมโอกาสนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าให้ระลึกเตือนใจว่าความสุขเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมัวเมากับมันเผื่อใจไว้ว่าสักวันหนึ่งก็จะสูญไปแล้วเมื่อมันต้องสูญไปเราก็ไม่ทุกข์แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะก็คือว่าทําให้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันดับไปข้อนิยามที่สุดแต่ว่าจําเป็นด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้เหตุแห่งทุกข์มันดับไปเนี่ยความทุกข์มันก็ยังมาลบ ก, กลัวเราอยู่โดยเฉพาความทุกข์ใจ เนี่ข้อเนี่ยตระมาคิดว่าเป็นธรรมะสาหรับผู้รักต น, นที่ควรจะระลึกถึงเอาไว้แล้ข้อที่หนึ่คือว่าไม่เอาทุกมาทับถมตนหรือว่าซ้ําเติมตนด้วยความทุกข์ข้อที่สองก็คือไม่ปฏิเสธหรือมองข้ามความสุขที่ชอบทำหรือความสุขที่มีอยู่ก็สามคืออยากสยบมวมาในความสุขนั้นข้อที่สี่คือว่าเพียรพยายามทําเหตุแห่งทุกข์ให้มันดับไปให้มันสิ้นไปอย่างน้อยเนี่ยทำสองข้อแรกให้ได้นะ แล้วถ้าได้แล้วเนี่ยค่อยมาทำข้อที่สามแล้วเติมด้วยข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อที่ยากที่สุดคำนี้ก็พูดกันท่อนนี้นะกลับับ